เวลาเราอยู่ว่างๆนะมีเวลาว่างอย่างมานั่งรอฟังเทศอะไรอย่างเงี้ยยังนั่งเปล่าๆเสียเวลามันคยตัวนั่งไปหายใจไปรู้เนื้อรู้ตัวไปดีกว่านั่งเลื่อนลอยจิตน่มันมีธรรมชาติ ที่ไหลไปตามความเคยชินที่ผ่านมาเราปฏิบัติยากเนะี่เราเคยชินที่จะหลงเคยชินที่จะขาดสติเมื่อเราพยายามมาสร้างความเคยชินใหม่ทำอะไรก็คอยรู้สึกตัวจุดที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัตินะี คือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ได้มันทำกรรมฐานไม่ได้กรรมฐานเป็นเรื่องการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจถ้าเราลืมน้ลืมตัวมีกายเราก็ลืมมีใจเราก็ลืมมันทำกรรมฐานไม่ได้ กรรมฐานนี้หมายถึงยิปั ส, สนากรรมฐานสมถกรรมฐานก็ต้องทําด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวคนส่วนใหญ่อย่างนั่งสมาธินะนั่งแล้วก็เคลิมเคลิมขาสติน ะ, ะขาสติไม่มีความรู้สึกตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวใช้ไม่ได้มันเป็นมิจฉาสมาธิ น้อยคนนะที่จะรู้สึกตัวได้สมัยก่อนหลวงพ่อยังบอกพักพวกเพื่อนฝูงในโลกนี้หาคนรู้สึกตัวได้นี่หายากจริงๆมันมีแต่คนหลงเดี๋ยวก็หลงดูหลงฟังหลงดมกลิ่นหลงลิ้มรส หลงรู้สัมผัสทางกายหลงคิดนึกทางใจมันมีแต่หลงเมื่อในโลกมันมีแต่คนหลงคนที่ภาวนาจริงๆมีน้อยยิงการที่จะภาวนาจนบรรลุมากคผลได้นี่ยิ่งน้อยหนักเขาไปอีกแต่ถ้าเรารู้สึกตัวได้นะเป็นจุดตั้งต้นเลย หลวงพ่อเคยสอนเพื่อนไว้นะเป็นตอนเป็นโยมได้จำนวนสิบคนไปไหนก็นั่งรถตู้ไปด้วยกันเข้าไปหาครูบาอาจารย์เข้าไปถึงวัดครูบาอาจารย์ทีท่านออกบากนะว่าไปรวมตัวกันมาได้ขนาดนี้ได้ยังไงพวกที่ไปไ ม, ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ารูลมรรคผลอะไรหรอก แค่รู้สึกตัวได้ไม่ล่องลอยล้วก็ไม่ได้นั่งเพ่งเอาไว้เคร่งเครียดไม่ทำสองอย่างอันนึงหลงไปอันหนึ่งเพ่งไว้เพลอกับเพง่งสนศัตรูสาคัญถ้าเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่หายใจอยู่รู้สึกอยู่ยืนเดินนั่งนอนอยู่รู้สึกอยู่เคลื่อนไหวหยุดนิ่ง รู้สึกอยู่นี่คอยรู้สึกเลยืยๆให้มันเคยชินที่จะรู้สึกไม่ใช่เคยชินที่จะหลงนี่พอเราเคยชินที่จะรู้สึกตัวแล้วจิตมันมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินพอเราเคยชินที่จะรู้สึกตัวเนี่ยมันจะสามารถรู้สึกตัวได้โดยไม่เจตนารู้สึกตัวได้เอง อย่างหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะยามฝึกตัวเองหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ด้วยด่วยๆจะหลงไม่นานหลังๆใี้เคยแซวพวกพระในวัดหลวงพ่อเลยว่าทำไงถึงจะหลงว่านะอยากหลงบ้างลืมไปแล้วเพราะหลงเขาทำยังไงเพราะเราฝึกรู้สึกตัวมาตลอด จะหายใจก็รู้สึกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้สึกนะกระทั้งนอนหลับนอนหลับเนี่ยจะปวดเจะเมื่อยตรงไหนก็รู้สึกจะพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้สึกแต่มันสั่งร่างกายไม่ได้ตอนที่หลับยังมันปวดอยู่เห็นร่างกายมันปวดใจไม่ได้ปวด นี่พอร่างกายมันปวดเนะี่ยร่างกายมันขยับตัวมันคีบไปเป็นกลไกของร่างกายนะมันทำงานด้วยไขยสันหลังมั้งไม่ได้เจตนาทำหรอกร่างกายมันขยับไปได้เองหรือบางทีเราหลับอยู่นะเราลองสั่งให้ขยับมือมันสั่งร่างกายไม่ได้จิตมันรู้ตัวอยู่ แต่มันก็สั่งร่างกายไม่ได้งนั้นตอนที่นอนหลับแต่ถามว่าเราขาดสติไหมมันก็ยังมีสติอยู่ช่วงที่ไม่มีสติช่วงที่จิตลงภวังจิตตกภวังลงไปอยู่ในภพภูมิเดิมของจิตอยู่ในสภาพเดิมของจิตอย่าตกภวัง พวกเราเคยสังเกตไหมเวลาเราฝันนะไม่ทีเราฝันในบรรยากาศที่ซ้ำๆใครเคยเป็นไหมฝันแล้วเวลาฝันแล้วมันจะรู้สึกเหมือนอยู่ตรงเนี้ในสภาพที่คล้ายๆอย่างเงี้ยบางคนฝันแล้วจะต้องวังเวงไปอยู่ในที่ที่มันวังเวงที่มันน่ากลัวอะไรเงี้ยบางคนฝันก็จะฝันไปอยู่ในที่สบายๆอะไรเงี้ยเนีจิตมันทำงานนะ ผวังมันเคยชินยังไงสะสมมายังไงมันก็เป็นอย่างนั้นตัวผวังเป็นเป็นพื้นของจิตของเราตอนที่เราเกิดมาเนะี่ยเกิดมาด้วยจิตชนิดไหนนะตอนที่ลงผวังมันเป็นอย่างนั้นนะ่นเราเลือกไม่ได้หรอกแต่ไม่ใช่ว่า จะต้องตายด้วยจิตแบบเดิมบางคนเรียนปริยัต์นะราะว่าจิตสามัญ น, นี่เหมือนกันปฏิสนที่จิตที่จิตเกิดผวังขจิตนะจิตที่ลงอยู่ในภพของจิตในผวังนะแล้วก็ตอนตายสุติจิตบอกสามัญ น, นี่เหมือนกันถ้าเรียนตื้นๆเน น, นี้นะมนุษย์จะไม่มีพัฒนาการ เพราะตอนเกิดกับตอนตายมันจะเหมือนกันที่จริงมันเหมือนกันอย่างนี้ตายในชาติก่อนจิตยังไงเกิดในชาตินี้จิตก็อย่างนั้นราวังพระจิตเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วพอเรามามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเรามันสร้างคุณงามความดีหรือสร้างความชั่วสะสมของเราไปตอนจิตดวงสุดท้ายในชีวิตเนี้ย ไม่ก็เป็นไปตามกรรมที่เราสะสมมาไม่ใช่ว่าเกิดยังไงแล้วต้องตายดวงนั้นต้องรอกว่าตายยังไงเขาเกิดดวงนั้นต้องอย่างนี้ถ้าเราภาวนาจนถึงจุดที่จิตมันไม่ตายมันยังไม่มีจิตที่เกิดเพราะนั้นเราภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมัเป็นอย่างนั้นได้ เวลานิพพานเนะี่ยมันไม่ได้มีจิตที่ตายก็ไม่มีจิตที่เกิดฟังดูเหมือนยากในการลงมือปฏิบัติจริงไม่ได้ยากอะไรจิตของเราในขณะนี้เป็นยังไงคอยรู้สึกไปเรื่อยหัดรู้สึกหัดที่จะรู้สึกไม่ใช่หัดที่จะหลง มาฝึกความเคยชินใหม่ที่จะรู้สึกจิตใจเรามีความสุขก็รู้จิตใจเรามีความทุกข์ก็รู้จิตใจจะดีก็รู้นะจิตใจจะโลภจะโกรธจะหลงอะไรเงี้ยก็รู้อย่างเวลาอยากฟังเทศอยากมาวัดเห็นเขาเปิดจองลงทะเบียนนะก็ลงบ้างตอนนั้นจิตเป็นกุศล อยากมาฟังทำพอถึงเวลาจะมาวัดจริงมันขี้เกียจตื่นนะอกุศลมันเกิดแล้วนี่ถ้าเราเคยฝึกของเราดีจิตเราเป็นกุศลเราก็รู้ จ, จิตมันขี้เกียจขี้คลานขึ้นมาเราก็รู้หัดรู้มันไปเรื้วยสุดท้ายมันจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดมันไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้สึก แต่ความรู้สึกไม่ใช่จิตโคนลนกันงั้นเราฝึกมากๆนะเราจะเห็นนะจิตก็อันหนึง่งความรู้สึกก็อันหนึง่งจิตเป็นแค่คนรู้ส่วความรู้สึกนั้นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจิตทาหน้าที่ธรรมชาติรู้เท่านั้นเองนี่นเราค่อยๆฝึกตัวเองนะจนจิตเราเป็นแค่คนดูดูอะไร มีอะให้ดูก็ดูนั้นแหละสิ่งที่ถูกดูถูกรู้นะเรียกว่าอารมณ์เฉนั้นจิตกับอารมณ์เนี่ยเป็นของคู่กันมีจิตต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตอารมณ์มีหลายอย่างอย่างบางทีใจมันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันฝันเรื่องโน้นเรื่องนี้นะความคิดความฝันเป็นอารมณ์อย่างหนึง่งเรื่องอารมณ์บัญญัติไม่ได้มีสภาวธรรมรองรับ ใครเป็นคนรู้จิตธอ เ, เป็นคนรู้อารมณ์รู ป, ปรธรรมก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่างร่างกายเรานั่งอยู่เนี้ยรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่ตอนเนี้ยรู้สึกได้ไหมยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้นั่งอยู่ไม่จะยากตรงไหนเลยลองสายหน้าสิสายสายรู้สึกไหมร่างกายมันสายหน้ายากไหมที่จะรู้สึกไม่ยากไม่กรรมฐานจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลย หลวงปูด่ดนะุลท่านถึงบอกหลวงพ่อเลยประโยคแรกนะที่ท่านสอนหลวงพ่อเลยไปกราบท่านนะไปเรียนท่านว่าเมื่อวันที่หกกุมภาปีสองห้านะหลายคนยังไม่เกิดบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่นั่งเงียบๆเป็นนานนะเกือบชั่วโมงนละ้วท่านลืมตา ม, มาท่านก็บอกเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองที่ท่านนั่งหลับตาเงียบเงียบ้ท่านสอบประวัติหลวงพ่อท่านรู้ว่าหลวงพ่อน่ไปอ่านพระไตรปิฎกมาอ่านมาหลายรอบเลยนะพระไตรปิฎกแต่จริงจริงอ่านได้สองปิฎกพระวินัยปิฎกกับพระสุตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกอ่านไม่รู้เรื่องอภิธรรมเนี่ยอ่านไม่ดูเรื่อง มีอาจารย์อภิธรรมท่านหนึ่งนะท่านเคยพูดไว้บอกถ้าอยากมีปัญญาแต่ชานให้เรียนอภิธรรมอ่านอภิธรรมแต่ถ้าอยากพ้นทุกอยากได้มาผลนิพพานให้เรียนพระสูตรอะี้ให้อ่านพระสูตรเพราะพระสูตรนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมนุษย์อย่างเรานี่แหละสอนจนบรรลุมาผลนิพพานไปเยอะแยะเลยะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเย่างธรรมะที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ย ไม่เห็นมันจะยากตรงไหนเลยเนียยังมีคนหนึ่งคันเนี่ยคันเก่าเนี่ยมันคันเรารู้ว่าคันอยากเก่ารู้ว่าอยากลงมือเก่ารู้ว่ากําลังเก่าอยู่เนี่ยคอยรู้สึกเลรู้สึกเป็นช็อตช็อตช็อตไปมีไหมกําลังรู้สึกคันมีไหมตอนเนี้ยใครรู้สึกคันมั้งลองนึกถึงในร่างกายมันจะมีเยอะเลยนะถ้าไม่รูไม่นึกถึงบางทีไม่คันนะ พอนึกถึงแล้วมันคันไปหมดเลยคันโน้นคันนี้เนี่ยพอมันรู้สึกคันมันอยากเการู้สึกคันนะมันอยู่ที่กายกายมันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเรารู้ว่ามันมีความรู้สึกคันเกิดขึ้นในร่างกายความรู้สึกคันไม่ใช่กายนะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายเป็นเวทนาทางกายเป็นทุกขเวทนา พอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายอยากให้หายอยากให้หายมีความอยากเกิดขึ้นก็เกิดจังจะทาคือการเกา น, นี่คนส่วนใหญ่นี่มันไม่เคยฝึกที่จะรู้เนื้อรู้ตัวพอขันปุกบเกาปั๊บแล้วบอกว่าไม่ขันเลยนั่งมาตั้งชั่วโมงแล้วไม่ขันเลยความจริงขันแล้วไม่รู้สึกบ้างขันแล้วเกาไปเรียบร้อยแล้วบ้างไม่มีสติต่าง ถ้ามีสติอยู่เลยเห็นการทํางานแลเป็นช็อตช็ชอเลยอย่างร่างกายนั่งอยู่ดีๆนะไม่เกิดคันขึ้นมาเนี่ยร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงแล้วมีความคันเกิดขึ้นพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นในร่างกายมีเวทนาเกิดขึ้ น, นใจก็ทํางานใจก็เกิดตัณหาอยากเกาอยากให้หายคันก็อยากเกาตอนที่เกาเนี่ยก็มัน ใครเคยเกาตัวเองจนหนังถลอกบ้างมีไหมตอนเกานี้มันไหมมันใช่ไหมถลอกแล้วมันไหม <c oughs> ไม่ผ่านละเนี่ยดูมันเป็นชดชดไปมันอยากเกาก็รู้นะมันเกาอยู่ก็รู้ถ้าเกายังมีสติแล้วหนังไม่ถลอกนะเกาอยังมีสติมันจะรู้ว่าแค่ไหนทำได้แค่ไหนทำไม่ได้ถ้าเกาจนหนังทะลอกเนี่ยไม่มีสติหรอกในวัดก็มีแมว ตัวหนึ่งนะั้นมันถูกตัวอะไรกัดมันคันมากเลยมันเก่าจนหนังนะเป็นแผลเต็ไมไปหมดเลยต้องจับใส่ลำพวงนะไม่ให้มันเลียตัวเองแต่เรื่องมันเก่าไม่รู้ผมทำยังไงหลวงพ่อลืมถามจะถามตอนนี้แกก็หลับซะและ้วแกหลับแต่เปลือกนะในใจแกภาวนาอยู่สังขาร มันเป็นความเคยชินนั่งเนี่ยใจมันตั้งเป็นคนดูอยู่เนี่ยอย่างเต่ามเมืแอกี้มันเผลอรู้สึกไหมเก่าเนี่ยแค่เรื่องเก่านะยังทํากรรมฐานได้เลยเนี่กรรมฐานไม่ใช่เรื่องลึกล้ำอะไรหรอกเรื่องง่ายๆนลองพยักหน้าสิพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหว ใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ไม่ต้องหาว่าใจอยู่ตรงไหนไม่ต้องหานะแค่เห็นร่างกามเคลื่อนไหวเท่านะั้นมันมีใจเป็นคนรู้โดยอัตโนมัติแล้วอย่าไปหาว่าใจมันอยู่ตรงไหนหาอย่างไงก็ไม่เจอหลวงพู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะว่าอย่าใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอท่านสอนอย่างนี้นันไม่ต้องไปหามันแค่รู้ว่ามันมีอยู่แค่รู้ว่ามันมีอยู่นะ ยิ้มซื้อลองยิ้มหวานๆอยู่ในแมสก็ยิ้มได้ลองยิ้มดูนะยิ้มรู้สึกไหมร่างกายยิ้มต้องถอดแมสออกมาสองกระจกไหมถึงจะรู้ไม่จําเป็นรู้ด้วยความรู้สึกนะรู้ด้วยความรู้สึกเรานียเขารู้สึกรู้สึกรู้สึกไปงั้นเราพยายามให้จิตใจอยู่กับเนื้อกัตัวจนะทําทอะไรก็ทําทด้วยความรู้สึกตัว อย่าทำแบบหลงลืมตัวอย่างเก่าอย่างหนังถลอกเนี่ยเก้าด้วยความหลงลืมตัวตอนตื่นอยู่ต้องมีสติแต่ตอนหลับเนี่ยสติมันไม่ได้ทํางานสมบูรณ์อย่างตอนตื่นนะบีที่ร่างกายมันขันร่างกายมันเก่าจิตก็ห้ามมันไม่ได้นะสั่งมันไม่ได้มันเก่าจนหนังถลอกได้เหมือนกันเป็นคนละแบบกัน ี่เราพยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัวให้มันเคยชินที่จะรู้สึกตัวแล้วความรู้สึกตัวจะไม่ใช่ของยากอีกต่อไปเมื่อสามสิบปีก่อ น, นที่หลวงพ่อพาเพื่อนเพนื่อนเข้าวัดครูบาอาจารย์ออกปากเลยว่า<ซ>พาวกนี้ไปรวมตัวกันมาได้ยังไงเยอะสิบคนแทบว่าเยอะแล้วนะเพราะยุคนั้นคนรู้สึกตัวไม่ค่อยมีแต่คนภาวนาเนี่ยมีเยอะ คนเข้าวัดนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี้ยมีเยอะมหาศาลเลยแต่ละวัดมีเป็นร้อยบางวัดมีหลายร้อยเลยวันวันหนึ่งแต่คนที่ทําไปแล้วรู้สึกตัวได้เนยมีนับตัวได้เลยคนที่บรรลุมรรคผลมันถึงน้อยส่วนคนที่ไปเป็นเทวดาเฉยเฉยเนี่ยมีเยอะอยู่พวกเข้าวัดทําบุญจิตใจเป็นกุศลอะไรเงี้ยตายไปก็ไปเป็นเทวดาได้อย่างพวกเรานะ ส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นเทวดาพาะชั่วมากๆความชั่วให้ผลตอนจะตายมันเคยชินจะชั่วมันชั่วขึ้นมาอย่างบางคนเป็นคนอาฆาตอาฆาตมากเลยไปใจคิดถึงอะไรขึ้นมาแล้วอาฆาตคุมไม่อยู่เลยอยากฆ่าอย่างี้ตอนตายแล้วไม่ตายด้วยจิตดวงนั้นยังไงก็ตกนรกไปไม่ดีห้ามมันไม่ได้เพราะว่ามันเคยชินที่จะโกรธ หรือบางคนเคยชินที่จะโลบตายไปไม่เป็นเปลดิดห้ามมันไม่ได้งั้นพยายามพัฒนาความเคยชินนะที่จะรู้เนะื้อรู้ตัวสร้างความเคยชินใหม่นะเขาเรียกอะไรนะนิวอะไรนะเดี๋ยวนี้นิวนอร์มอลใช่ไหมเออเราเป็นนอร์มอลของเราอะคือรู้ตัวหลวงพ่อทําได้นะตั้งแต่เป็นโยมอะมทําอะไรก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปได้โมโหก็รู้นะไม่ใช่ไม่โมโห โกรธก็รู้เลยอยากมหักคอมันแล้วรัวอยากเลยไม่เคยไปตีใครสักทีนึ่งตอนเรียนประถมเพื่อนมันมาขโมยยางลบหลวงพ่อไปเราก็ตอว่ามันบอกให้เอามาคืนมันแก้ปัญหาด้วยการทาชกือคนละเรื่องเลยนะ มึขโมยอย่างลถเลยแล้วมาทาเราโชว์อีกนะเราก็ตกลงกะสบายอยู่แล้วไอ้นี่เล็กกว่าเราหนะูท่าทางตัวมันเล็กกว่าเรานัดกันไปชคเรียนอยู่วัดพระปราชัยเราไม่โชคที่วัดพระปราชัยนะีกเดี๋ยวครูเห็นไปทาชคกันที่วัดเทพศรินวัดเทพศรินตอนนั้นคนไม่เยอะเหมือนยุคหลังนี่นะยุคหลังนี้มีงานศพคนเยอะแยะไปหมดเลยนะไปโชคกันข้างสะเต่ามีสะน้ํา มีเต่าอยู่แยะๆในน้ำเขียวอยือเลยนะถึงเวลาจะโชคกันจริงนะเราโชคไม่ได้สงสารมันกลัวมันเจ็บนะมันก็โชคเราเราก็หลบได้บ้างหลบไม่ได้บ้างนะเราเสร็จแล้วมันก็หายโมโหมันก็เอาอย่างลบมาคืนถ้าเราจะโชคมันจริงๆทำไม่ลงนะสงสารกลัวมันเจ็บ ทุกวันนี้ไม่รู้มันไปไหนแล้วนะแต่หลวงพ่อก็มีความสุขอยู่แล้วตอนนี้วิชกเขาตอนนั้นนี่ใส่คงเคยชินไม่พอใจใครก็ไล่โชกไปเรื่อยๆคงจะมีประวัติอยู่บางกว้างมีอะไรกันแล้วเจียดประวัติสร้างความเคยชินใหม่เคชินที่รู้สึกตัวทาอะไรก็รู้สึกทําอะไรก็รู้สึก อย่างหลวงพ่อนะไม่ค่อยทำข้าวของแตกมันทำอะไรมันก็รู้สึกอยู่แต่ตอนแก่เนี่ยบางทีมือมันคอนโทรลได้ไม่สมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนนะทีมือมันหลุดมือมีเหมือนกันนานานาทีหนึ่งหกล้มก็เคยหกล้มนะเดินปกติไม่หกล้มหรอก มีวันหนึ่งเดินมาที่สาราเนี่ยมาทางถนนนี่แหละหมามันคึกหมาในวัดมันคึกมันวิ่งชนหลวงพ่อแล้วมันวิ่งชนเก่งนะมันวิ่งชนตรงข้อภับทั้งสองข้างเลยเท้าเราหลุดจากพื้นลอยกลางอากาศหลวงพ่อรู้สึกตัวทุกชอ็อตพอตัวลอยขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อรวบรวบผ้าสบงก่อน ไหนๆจะหกลมแล้วต้องไม่โปนะดูมารยาทงามขนาดนั้นนะทั้งที่อยู่กับพวกพระด้วยกันนี่แหละนะถึงโปะเขาก็เฉยๆแล้วนี่เรารวบนะแล้วก็ลงพื้นม้วนแบบอยู่โดเคยหัดก็นะไม่เป็นไรไม่มีอันตรายอะไรสติมันทำงานเร็วมีอยู่คราวหนึ่ง ขับรถพาคุณแม่ไปตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะเดี๋ยวว่าพระขับรถพระพาเยชีไปเที่ยวไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชขับรถพาคุณแม่ไปดูนกปักหังนกปากหังมีวัดเอะไรอยู่ที่วัดอะไรหลองพ่อลืบชื่อไปแล้วเดี๋ยวนี้วัดนั่นเขาไล่นกไปหมดแล้วนะเขาทนนกไม่ไหวนกมันขี้เต็มบัดขับรถไป ถนนบ้านนอกไม่ค่อยมีรถนะวิ่งสบายไม่เจอสะพานบ้านนอกนะสะพานหัวตัดแบนๆใครเคยเห็นไหมสะพานกรุงเทพมันจะโค้งตลอดใช่ไหม น, นี่สะพานขึ้นไปถึงปุ๊บข้างบนนี้ตรงๆแบนๆรถเนี่ยวิ่งมาเต็มที่นะรถลอยสี่ล้อเลยรถรถลอยอยู่กลางอากาศเลยหัวนี้ขึ้นไปชนหลังคารถเชื่อมไปชนเพดานมัน มองลงไปข้างหน้าเนี่ยฟ้นสะพานไปไม่ไกลนะเป็นโค้งหักศอกเนี่ยสติมันทำงานอัตโนมัติหมดเลยนะหลวงพ่อเหยียบเบรกเต็มเหนี่ยวเลยกลางอากาศลดเกียร์ลงเกียร์หนึ่งเลยในเรวุ้นั้นนะทำได้พอรถกระแทกพื้นเนี่ยไม่เบรกลับลอยลอยรถมันก็คลืดไปดังลั่นเลยมันโดนเกียร์วง พอใ ก, กล้ๆถึงทางเลี้ยวก็แตะเบร ก, กค่อยเลี้ยวได้เนี่ยสติที่เราฝึกไว้ดีแล้วนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นยังพอช่วยตัวเองได้เมือนลงตามหาบัวท่านก็เคยเล่ารถมันคว่ำท่านบอารถมันพลิกท่าไหนเนี่ยท่านรู้หมดเลยตอนนั้นหลวงพ่อยังเป็นโยมอยู่นะ แล้วก็นึกมันเป็นไปได้เหรอือท่านตัวเองมีปัญหาเรื่องรถเนี่ยก็เลยเข้าใจท่านก่อนหน้า น, นั้นเคยฟังหลวง พ, พ่อ พ, พุธหลวงพ่อพุธฐานิโยวัดป่าสารวัตรเป็นครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งของหลวงพ่อท่านชอบสอนว่าให้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดให้มีสติท่า น, นสอนอย่างนี้เรื่อยๆเจอที่ไรก็พูดเแต่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดสอนอยู่แค่นี้เป็นส่วนใหญ่ ท่านเคยเล่าให้ฟัง่าท่าน น, นั่งรถไปแล้วรถมันนั่งรถตู้นะรถมันตกเหวถาหลายลงไปคนก็ลองวิดวย์ไว้ให้หลวงพ่อช่วยก็ไปกับหลวงพ่อหลายคนนะทั้งรถนะท่านบอกรถมันพุ่งลงไปท่านเห็นต้นไม้กวางหน้าอยู่ท่านบอก่ารถจะชนต้นไม้นะจิตท่านมันมีสมาธิอยู่รถมันหลบต้นไม้ รถมันโยกหลบต้นไม้ไปพหลบไปวิ่งไปอีกนิดนึงเจออีกต้นหนึ่งมันก็หลบไปหลบมาอย่างเงี้ยท่านอหออยต้นสุดท้ายเนี่ยท่านหมดแรงแล้วสติสมาธิท่านหมดกําลังแล้วเลยชนมองไม่เห็นท่านบอกอย่างเงี้ยต้นสุดท้ายมองไม่เห็นรถเลยชนแต่ว่ารถมันเบาแล้วลงมาข้างล่างแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไร น่จิต ท, ที่มันฝึกไว้ดีแล้วนะสติทำงานอัตโนมัตินะเคยชินที่จะมีสติงั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นจะไม่โตกโตโตใจร้องวิดไว้กระตู้วพวกเราก็มีนในห้องนี้หมาเปล่าวันนี้ไม่เห็นขับมอเตอร์เวย์นี่แะขับรถอยู่มอเตอร์เวย์นี่นะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเลยจจำไม่ได้แล้วรถมันหมุนจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดู มีสตินละ้ไม่ตกใจเห็นรถมันหมุนหมุนมุนไปแล้วมันก็หยุดมันไม่ทันจะชนจะใครเขาบอกเขาเห็นผลของการภาวนาเลยการที่จเจริญสติคอยรู้เนะื้อรู้ตัวอยู่เนี้ยพอเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเนะียสติมันทำงานอัตโนมัติมันเคยชินที่จะมีสติขึ้นมามันก็มีสติในยามฉุกเฉินพอมีสติแล้ว สมาธิก็ เ, เกิดใจมันก็ตั้งมั่นมีสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดรู้ว่าตอนนี้ควรจะทำํำยังไงควรจะแก้ปัญหายังไงอย่างหัวกําลังจะโขกผนังลถ ด, ด้านนี้นะหัวกําลังโยกไปแล้วจะโขกแล้วก็หลบซะหน่อยหนึ่งนะนะแทนที่จะหัวแตกก็กระแทกเบา ๆ, บาๆอะไรเงี้ยนะี่มันทํางานอย่างนี้นะมันตามมาอัตโนมัติ ให้พวกเราพยายามฝึกไว้ไม่ใช้ได้ทั้งทางโลกใช้ได้ทั้งทางธรรมในทางธรรมถ้าไม่มีสติเราจะไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาในทางโลกถ้าเราขาดสตินะเราก็ไม่มีเครื่องป้องกันตัวเองนสติเหมือนโล่ป้องมีโครงโบราณะอาจแก้วกลางสนามกลางสนามลบแก้วกล้าสามารถป้องกันตัวเองได้เพราะมีสติ เสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออยู่กับโลกก็จําเป็นอยู่ในทางธรรมก็จําเป็นประโยค์ที่ว่าสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเนะี่ยครูอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อคือหลวงปู่เทศท่านสอนท่านสอนว่าสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อหลวงพ่อเลยเห็นคุณค่าของสติมากนะพยายามจะมีสติเรื่อยๆวิธีฝึกก็คือ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งแล้วคอยรู้สภาวะนะ mm hmm. เช่นหลวงพ่อชอบดูจิตหลวงพ่อก็ดูจิตใจตัวเองไปไรื่สุขขึ้นมาก็รู้ทุกข์ขึ้นมาก็รู้ดีขึ้นมาก็รู้ชั่วขึ้นมาก็รู้เรารู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเนี่ยบ่อยๆต่อไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ได้โดยไม่เจตนาจะรู้ ตรงที่รู้แล้วเราไม่ได้จงใจจะรู้นั่นแหละสติตัวจริงมันเกิดละแต่ถ้าเราไปนั่งเฝ้าอยู่นะแล้วรอดูว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นในใจเราไปนั่งจ้องไม่มีอะไรเกิดม่เฉยๆอันนั้นไม่ใช่วิธีฝึกนะวิธีฝึกก็คือปล่อยให้จิตมํางานไปแล้วเรามีสติไปเราคอยอ่านจิตตนเองไปที่หลวงปู่ดิลบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง อ่านจิตใจตนเองตอนนี้มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้ดีก็รู้โลภโกรดหลงก็รู้รู้บ่อยๆไปต่อไปพอมีความรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นมาในจิตนิดเดียวเท่านั้นนะสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันจ ะ, ะระลึกรู้ได้โดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนานจะรู้เลยถ้าเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อถ้าอย่างเป็นพวกพระพวกทิศเลยเนี่ยจะได้ยินหลวงพ่อสอนได้่ ว่าตราบใดที่ยังไม่สามารถมีสติอัตโนมัติไม่สามารถมีสมาธิอัตโนมัติไม่สามารถมีปัญญาอัตโนมัติยังเรียนไม่จบหลักสูตรยังไม่ใช่รู้สึษยตัวจริงของหลวงพ่อหรอกนะเรียนได้แค่ผิวเผินต้องเรียนจนสติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัติเกิดปัญญาอัตโนมัติเกิดถึงจะเรียกว่ามีกลืนคุยได้ว่าเป็นลู้สึษยหลวงพ่อ สติอัตโนมัติเนี่ยก็อยู่ที่การฝึกรู้สภาวะอย่างถ้าเราจะฝึกทางนมามธรรมเนี่ยสภาวะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้ไปเรื่อยๆอย่าหลงอย่าลืมมันไปนะคอยรู้มันบ่อยๆมันโมโหก็รู้มันฟุ้งซ่านก็รู้มันสงสัยก็รู้มันเป็นยังไงก็รู้หัดรู้บ่อยๆพอจิตมันจําสภาวะที่ปรุงแต่งขึ้นมาได้นะต่อไปพออะไรปรุงขึ้นมาสติก็เกิดหมดแหละเกิดอัตโนมัติ ไม่ถนาดดูจิตก็ดูกายนะหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้ต่อไปนะพอร่างกายขยับนะมันรู้เองสติจะเกิดเองเพราะสติมันเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะหัดรู้สภาวะบ่อยๆสภาวะของรูปธรรมเช่นเนี่ยขยับไปยื่อเนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆไม่ใช่ทำอะไรนะลืมเนะื้อลืมตัวแค่ขี้ฝัน ทำเลื่อยเปื่อยไม่รู้เนื้รู้ตัวอย่างนั้นอีกกี่ชาติสติก็ไม่เกิดถ้าเราเคลื่อนไหวอะไรเราคอยรู้สึกนะเห็นร่างกายมันทำงานแค่เห็นนะอย่าไปเพ่งนะเอาแล้วะจะกดดิกรัดิกแล้ยอย่างนี้สติไม่เกิดหรอกมันเคลื่อนเคลืคล่อนเป็นวิชาสติวิชาสมาธิไปหมดวิชาสติมีนะไม่ใช่ไม่มีแล้วิชาสมาธิเนี่ยมันไม่มีสติมันเป็นวิชา วิชาสมาธนะิวิชาสาติมันไปเพ่งไปจ้องนะจมอยู่ในอารมณ์ต่างๆโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันไปเพ่งอยู่ยังไปเพ่งท้องอยู่เลยนะนะก็ได้สมาธิเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีคุณภาพนะสติที่ดีเนี่ยนะคือสติปัฏฐานสติที่รู้กายสติที่รู้ใจถึงจะเรียกว่าสัมมาสติถ้าสติรู้อย่างอื่นไม่เรียกว่าสัมมาสติ อันนี้หลวงพ้อไม่ได้พูดเองเพราพพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานสูตรเวลาสอนถึงสัมมาสติท่านพูดถึงสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นสัมมาสติคือการเจริญสติปัฏฐานสี่รู้กายรู้เวทนารู้จิตของเราไปนี่สามาัญในเบื้องต้นสุดท้ายจะเข้าไปรู้ธรรม งั้นเราพยายามรู้สึกสกายก็ได้เห็นกายหายใจใจเป็นคนดูกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูกายยิ้มหวานใจเป็นคนดูกายหน้าบึ้งใจเป็นคนดูนั่นคอยดูไปอย่างเงี้ยตอนหลวงพ่อเป็นโลกปากเบี้ยวนะเป็นอัมพฤกษ์หมอบางท่านก็บอกให้หลวงพ่อทํำกายภาพหลวงพ่อยักคิ้วซิหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เคยยักคิ้ว หลว่าทำหน้าบึ้งสิหลวงพ่อทำไม่เป็นอะนะทำหน้าเด๋อมากกว่าหน้าบึ้งนะให้เรางพ่แยกเขี้ยวยิงฟันอะไรเงี้ยเราก็ทำไม่เป็นเราไม่เคยชินที่จะยักคิ้วหริวตาทำตาถลนตาเหลือกอนะไรฝึกยากมากเลยนะฝึกลําบากสุดท้ายก็ทำทำเป็นนะฝึกไปหลา ย, ลายวันเริ่มยักคิ้วได้แนละ้วต่อไปถ้ามีคิ้วนะจะยักให้ดูนะ ก็ เ, เคยชินที่จะมีจริยวัดมีอากับกิริยาของพระมันยากิ้วหลือตาแลบลิ้นปลิ้นตาอะไรมันไม่ใช่เรื่องของพระเราเคยชินอย่างเนี้ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยเพราะเราคอยรู้สึกในร่างกายนะถ้าต่อไปสติจะเกิดถ้าคอยรู้สึกถึงความรู้สึกต่างๆที่ผุดขึ้นมาในใจเรารู้สึกเฉยๆอย่าไปบังคับต่อไปสติก็จะเกิด สติเกิดจากจิตจำสภาวะได้สภาวะจะเป็นรูปธรรมก็ได้นมามธรรมก็ได้ตัวที่เกิดขึ้นก็สติตัวเดียวกันแล้วแหละพอมีสติแล้วเนี่ยนะแนะนำรู้จิตได้ให้รู้จิตรู้จิตไม่ได้ถึงจะรู้กายถ้ารู้อะไรก็ไม่ได้ก็ทำสมถะไว้พราส่วนมนต์ไปหายใจเป็นพุทธบูชาไปทำอย่างนั้นไปงั้นถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตมันทางานไป เห็นมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วนะก็ดูมันไปต่อไปทุกครั้งที่เราเห็นจิตมันทำงานสติก็เกิดเองตรงที่เราเห็นจิตมันเคลื่อนไปจิตก็ตั้งมั่นเองแล้วก็ต่อไปปัญญามันก็เกิดเองมันก็จะเห็นเลยรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายล้วนแต่เป็นทุกข์เป็นภาระเป็นของถูกบีบคั้น รูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสักเป็นไปตามเหตุปัจจัยะไม่ใช่ตามที่เราสักมีคําอยู่สองคำนะคำว่าเหตุปัจจัยเหตุทก็เป็นปัจจัยชนิดหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าเหตุจริงๆในทางปริยัตินะนะก็มีหกอย่างโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะปัจจัยหมายถึง ตัวแปลตั้งก็มีทำให้เกิดตัวแปลตามมาเปลี่ยนไปมียี่สิบสามอย่างไม่ต้องเรียนยนี่ยนะเรียนของปัจจุบันที่ใจของเรานี่แหละไปยังหน้าสิยิ้มหวานยิ้มหวานไม่ได้บอกให้สายหน้าบอกให้ยิ้มหวาน <c oughs> นี่แสดงว่าใจลอยได้ยินหลวงพ่อพูดสายหน้าหลายทีแล้วพอหลวงพ่อบอกยิ้มหวานก็ <c oughs> อย่างนี้เคยชินที่ที่จะสายหน้าพอได้ยินให้ยิ้มหวานนึนกว่าให้สายหน้าหรืออ่านใจตัวเองขณะนี้สุขหรือทุกข์อะไรอย่างนี้นก็แค่รู้แค่ดูไปดูมันเคลื่อนไหวดูมันเปลี่ยนแปลงสุดท้ายศีลก็เกิดสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดวิมุตติก็เกิดค่อยๆฝึกเท่านี้พอต่อไปส่งกันบ้าน หมายเลข1 5้าครับส่งการบ้านครั้งที่สรายงานการปฏิบัติเวลาทำในรูปแบบรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นเวลาดูจิตในชีวิตประจำวันรู้สึกเกิดสติอัตโนมัติบ่อยขึ้นกว่าเดิมรู้สึกสติที่เกิดขึ้นเป็นกลางมากขึ้นไม่ไปดับดูสภาวะได้เห็นกายเคลื่อนไหวทำงานได้เอง ได้เห็นกิเลสเกิดดับเกิดขึ้นเองบังคับไม่ได้สภาวะที่เห็นบ่อยๆหลงคิดตัวกูเ<ม>ทียบเขาเทียบเราอิจฉ<ม>า<ม>โรคคำถามหนึ่งสิ่งที่ผมกล่าวมาข้างต้นผมเข้าใจถูกไหมครับมีอะไรต้องเพิ่มหรื อ, อยังติดตรงไหนไหมครับสองถูกถูกเป็นบางอย่างมีไม่ถูกอย่างหนึ่ง อย่างร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเพราะจิตมันสั่งนะะจิตเป็นคนสั่งแต่ว่าจิตใจมันจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอะไรเนี่ยเราสั่งมันไม่ได้นะงัะ้นมันไม่ใช่ว่าสั่งไม่ได้หมดแต่ว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับเราอย่างร่างกายเนี่ยสั่งได้แต่สั่งได้ชั่วคราวถึงจุดบางทีก็สั่งไม่ได้ เพราะฉะั้นอย่าถ้าเราบอกว่าร่างกายเป็นของที่สั่งไม่ได้เนะีมันมันพูดจําไปนิดนึ่งนะมันสั่งไม่ได้ในภาพสุดท้ายภาพรวมอย่าสั่งไม่ให้แก่เนะียสั่งไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บเนี่ยไม่ได้สั่งไม่ให้ตายไม่ได้แต่ถ้าสั่งให้ยืนเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยยังสั่งได้อยู่นะค่อยๆดูไปที่ภานามาถูกแล้วล่ะที่เห็นอนะถูกนะตอนนี้สตินะก็ฟ้องไหวขึ้นแล้วล่ะสมาธิก็ดีขึ้น แต่ขณะนี้จิตไม่ตั้งมั่นนะจิตไม่เข้าฐานตรงนี้ดูออกไหมดูออกไหมถ้าดูออกไปยักหน้าเออถ้าดูออกก็ใช้ได้ข้อ 2. 2> สองสองโรคกลัววิตกกังวลที่ผมเป็นอยู่เป็นเครื่องขัดขวางการภาวนาของผมไหมครับวิตกกังวลนะก็รู้ว่าวิตกกังวลนะรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ขัดขวางหรอกอย่างพวก วิตกจลินะอะไรก็วิตกตกกังวลไปหมดเลยนะวิตกจลินยังเพวกชอบคิดวิตกพวกตึกแต่ลราอย่างเนี้ยเรียกวิตกกังวลเห็น ไ, ไหมวิตกกังวลมันวิตกกังวลขึ้นมาเนะี้ยถ้าเหตุของมันยังอยู่ห้ามมันไม่ได้นะอย่างเราทําธุรกิจเงี้ยแล้วลูกค้าโกงเงินเราไปเงี้ยจะห้ามไม่ให้เราวิตกกังวลเนห้ามไม่ได้หรอก แต่ว่าวิตกกังวลแล้วเนี่ยเรามีสติรู้ทันเป็นกลางกับมันพอเป็นกลางกับมันแล้วใจมันมีสมาธิมันจะเกิดปัญญาหารูทางแก้ปัญหาได้ฉะนั้นพยายามแยกค่อยๆดูค่อยๆฝึกไปงั้นความวิตกกังวล น, นีเป็นพิษเป็นภัยกับคนที่ภาวนาไม่เป็นแต่กัาคนภาวนาเป็นมันก็คือเครื่องมือในการฝึกตัวเราเองอีกอย่างหนึ่งอย่าไปเกลียดมัน ไม่นคือครูของเราหมายเลขสามสิบครับสองปีที่แล้วเคยมาอยู่วัดวันธรรมดาหลวงพ่อบอกว่าใจรออยู่สามวันวันก่อนกลับหลวงพ่อบอกว่าได้แล้วคําถามปัจจุบันปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างต้องทําอะไรต่อ <c oughs> ปฏิบัติเป็นยังไงมุ้ยต้องดูด้วยตัวเอง วินยูชนต้องรู้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่รอถามคนอื่นนะอย่างกี่ปีมาเจอหลวงพ่อครั้งหนึ่งมารอถามหลวงพ่อนะมันใช้ไม่ได้ยิ่งไปถามสเปสสปาไปยิ่งอันตรายใหญ่อะไรๆก็สู้โยนิโสมนสิกาลไม่ได้สังเกตตัวเองไปทนะุกวันนี้อกุศลลดลงไหมกุศลเจริญขึ้นไหมสังเกตมันไป ถ้ากุศลมันลดน้อยลงมันเกิดยากขึ้นกุศลไม่เกิดได้ง่ายขึ้นเกิดได้บ่อยขึ้นมันก็เป็นการวัดว่าเรามีพัฒนาการอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดหรือเปล่าดูออกไหมเนะี่ยใจมันหนีไปคิดเราก็รู้ว่ามันหนีไปคิดนะใจก็ยังร่องรอยเก่งนะยังฟุงงซ่านเก่งอยู่เพราะฉั้นต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ จะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ต้องมีเครื่องอยู่แล้วเวลาเรามีเครื่องอยู่เนี่ยพอจิตเราหนีไปจากเครื่องอยู่เราจะรู้ได้เร็วประเภทห ล, ลงปั๊บห ล, ลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยสติจะถีบยิบขึ้นมานะสุดท้ายจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาได้เนีย่ยตอนนี้ใจลอยไปอีกหรื อ, อยังดูออกไหมเนี่ยหัดดูอย่างนี้เลย อยู่กรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแต่อย่าเพง่งขนาดนี้เพ่งอยู่นะมันอึนอัดมันจะแน่นๆนิ่งๆเนี่ยวิธีดูดูเพ่งดูไม่ยากหรอกดูหน้าก็รู้แล้วนี่นะหน้าตาอย่างนี้ยใจลอยหรื อ, อยังให้กันบ้านหากเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะ เรารู้ทันการทำงานของจิตไปเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดเดี๋ยวมันก็หนีไปดูเดี๋ยวมันก็หนีไปฟังฝึก อ, อย่างนี้ให้มากๆาคนต่อไปหมายเลขสามสบเ็ดครับตอนนี้ปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิพุทโธครั้งละสามสิบนาทีสามครั้งต่อวันแล้วฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นจิตไม่มั่นคง ขอเมตตาหลวงพ่อช่วยชีย้แนะทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไปเนื่องจากปัจจุบันอายุ68ปีแล้วปฏิบัติมาได้ประมาณหนึ่งปีแล้วอายุเท่ากันนะแต่หลวงพ่อปฏิบัติมา61ปีแล้วที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ดีไม่ได้ไปกดมันไม่ได้ไปเพ่งมันแต่รู้สึกมันไปเรื่อย งั้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้ที่ฝึกอยู่ดีแต่เราอย่าอยากให้มันดีเร็วๆมันไม่ได้อย่างใจหรอกนะค่อยๆฝึกไปชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดอยู่แล้วละ่ะนะค่อยๆภาวนาไปของคุณภาวนาที่หลวงพ่อบอกว่าดีเพราะว่าไม่เพง่งแค่เพ่งแล้วใจมันอึนดัดอย่างนี้ใจเป็นธรรมชาติเราก็เรียนรู้มันไปส่วนจะเข้าใจมันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่จิตไม่ใช่เรื่องของเราละ เรามีหน้าที่ทำเหตุที่รู้สึกตัวเราก็เรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปนะและที่เหลือเขาเป็นไปเองอนุโมทนาด้วยนะต่อไปหมายเลขห้าสิบสองครับตอนนี้พยายามใช้วิหารและทำพุทโธอยู่ครับไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไรบ้างครับ ขอหลวงพ่อแนะนําการปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยครับจิตมันก็มีกําลังขึ้นนะเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆใจมันจะมีกําลังขึ้นสมาธิมันจะดีขึ้นเองนะแล้วถัดจากนี้ยเราก็ดูไปอย่างร่างกายเราขยับขย่ขยเคลื่อนไหวเราก็รู้จิตใจเราขย่ยเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลงเราก็รู้แล้วพอดูไม่รู้เรื่องแล้วก็กลับมาอยู่กับพุทโธของเราต่ออยู่กับพุทโธให้เยอะ ดูการทํางานเป็นระยะระยะไม่ได้ดูตลอดนะการเจริญปัญญาเนี่ยไม่เจริญตลอดแต่การทําสมถะเนี่ยทํายืนพื้นไว้ก่อนจิตจะได้มีกําลังตอนนี้จิตมีกําลังมากกว่าเก่าเยอะเลยนะดีเชะละนะก็ดูกายมันทํางานอย่างมือมันขยับเราก็รู้ใจมันไหลไปคิดเราก็รู้นะฝึกดูไปเรื่อยๆใช้ได้ดี มายเลขหกสสามครับมาส่งการบ้านครั้งที่สองยังหลงบ่อยเห็นราคะเห็นโทสะเห็นมานะเกิดบ่อยข อ, อการบ้านเพิ่มครับก็ไปเห็นบ่อยๆนะั่นแหละดีแล้วนะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นหรอกแต่พอเราเจริญปัญญาเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยๆเนะี่ยจิตมันจะเริ่มหมดแรงตวเนี้เราต้องกลับมาทาสมถะนะ กลับมาอยู่กับลมหายใจกลัมมาอยู่กับพุโทโธของเราไปให้ใจมันแช่มชื่นเบิกบานแล้วก็ไปดูสภาวะต่อเวลาเดินก็เดินสองขาเดินด้วยสมาธิกับปัญญาการปฏิบัติของเราจะราบเรื่อนไม่กระโดกกระเดกอย่างตอนนี้ใจเราหนีไปเราก็รู้ว่าใจมันหนีไปรู้อย่างที่มันเป็ น, นหนีไปอีกแล้วรู้ไหม มันไหลไปคิดเวลามันไหลไปคิดเราก็รู้สึกเอาสังเกตไหมใจมันหนีไปคิดบ่อยที่มันหนีไปคิดบ่อยนะเพราะว่ามันฟังหลวงพ่อพูดพอฟังแล้วมันต้องคิดไม่งั้นมันไม่รู้เรื่องเพรงะะั้นใจไปฟังก็รู้ใจไปคิดเราก็รู้เอาอันนี้สําหรับการปฏิบัตินะถ้าจะฟังให้รู้เรื่องเรียกว่าเรียนเชิงปริยัต ก็ต้องฟังไปคิดไปอันนี้ถูกแล้วถ้าฟังเฉยๆแล้วไม่คิดนะจะฟังไม่รู้เรื่องนะสังเกตไหมเราฟังต้องฟังสลับแก่คิดไปเรื่อยๆนะมันถึงจะรู้เรื่องนี่พอรู้เรื่องแล้วเวลาลงมือปฏิบัติไม่คิดเอาแต่รู้สึกเอานะคนละส่วนกันคนละแบบกันงั้นการเรียนปริยัติเนี่ยจะอ่านจะฟังอะไรก็ต้องคิดนะต้องมีความคิดมันถึงจะเกิดปัญญาในภาพปริยัติ แต่ในภาคปฏิบัติเนี่ยให้รู้สึกเอาร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเอาจิตใจหนีไปคิดรู้สึกเอาใช้รู้สึกเอาไปฝึกต่อไปมาได้ดีอยู่อายเลขหกสิบห้าครับ <c oughs> คำถามวันนี้ส่งการบ้านครั้งแรกที่ผ่านมาฟังคำที่หลวงพ่อแสดงผ่าน YouTube และมาที่นี่สองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สามและปฏิบัติโดยการตามดูสภาวะของกายและจิตท่านตามสภาวะอารมณ์บ้างไม่ทันบ้างมีสิ่งใดที่หลวงพ่อจะแนะนําเพิ่มเติมให้หนูได้บ้างคะควรจะเพิ่มเรื่องสมาธิขึ้นนะใจมันยังฟุ้งซ่าน ง, ง่ายอยู่นะเพระฉะนั้นทุกวันต้องแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์ไปหายใจไปพุทโธไปอะไรอย่างนี้ เวลาเราหายใจไปพูดโทไปหายใจเข้าพุทออกโธอะไรเงี้ยเราอย่าหวังว่าจะสุขจะสงบจะดีนะถือว่าตอนนี้เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแทนที่จะบูชาด้วยดอกไม้ตูเทีนเรามาบูชาด้วยลมหายใจของเราหายใจออกคิดถึงพระพุทธเจ้าหายใจเข้าคิดถึงพระพุทธเจ้าคอยทำอย่างนี้เรื่อยๆไปคิดว่าเรากาลังบูชาพระพุทธเจ้าอยู่ ส่วนจิตจะดีจิตจะเลวจิตจะสุขจิตจะสงบเป็นเรื่องของจิตขอให้เราได้ปฏิบัติบูบชาแค่นี้พอใจละถ้าทำอย่างนี้ไม่นานจิตจะสงบนะจิตจะมีพลังมันไม่ได้ทำเพราะโลภถ้าทำเพราะอยากดีอยากสุขอยากสงบเนี่ยทำเพราะโลภไม่ยอมสงบง่ายหรอกแต่เราทาแล้วเราตั้งใจว่าเป็นพุทธบูชาเนี่ยมันจะสงบง่ายนะพอใจมันมีส่งความสงบมีเรื่องมีแรง เราก็ดูสภาวะทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปสลับกันไปแบบนี้แหละระหว่างสมถะควิปัสสนาค่อยๆฝึกว่ตอนนี้ใจมันยังฟุ้งเก่งอยู่หมายเลข68สครับมาส่งการบ้านครั้งแรกฟังซีดีที่บ้านจิตติดเฉยโทสะเกิดบ่อยจิตที่ติดเฉย พอมันไม่เฉยเมื่อไร่่ะโทรสามจะขึ้นเพ้นคนที่ติดสมาธิเพ่งอ่ะชอบเพ่งนิ่งๆอยู่เฉยๆนะพะอออกจากสมาธิแล้วนิสัยมันจะร้ายกว่าคนธรรมดากิเลสม่นจะคิดต้องเปี่ยมมีมโมโหแรงนะเพราะตอนที่นั่งสมาธิมันสงบเงียบมันสบายไม่มีอะไรรบกวนพอใจมันถอยออกมากระทบอะไรนิดหน่อยมันทนไม่ไหวมันเหมือนคนซึ่งอยู่แต่ในห้องปลอดเชือ้อ ไม่มีเชื้อโรคเลยออกมาเจอเชื้อโรคนิดเดียวป่วยหนักไปเลยงั้นเราอย่าไปติดในสมาธิเฉยๆมันไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกพยายามทําสมาธิที่สบายๆอย่าทำแบบเคร่งเครียดรู้เนื้อรู้ตัวไปสบายๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทํากรรมฐานไปเรื่อยๆถือว่าเรากำลังปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่หวังผลอะไรนะ นี้พอเราภาวนาเรื่อยๆใจเรามีสมาธิที่นุ่มนวลอ่อนโยนสบายออกจากสมาธิมาเราก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานไปอย่างโทสะมันขึ้นเนี่ยก็ใจมันทํางานเราก็เห็นนะแต่กี้ไม่มีโทสะตอนนี้มีโทสะพุ่งขึ้นมาเออโทสานี้เป็นของห้ามไม่ได้เนาะโทสานี้มาเองโทสานี้ไปเองเนี่ยเราดูอย่างนี้เรื่อยๆมันก็ได้ปัญญานาะค่อยๆฝึกไป อย่าไปฝึกจิตให้มันนิ่งเฉยเฉยไม่มีประโยชน์มีโทษเยอะนี่ทำให้ค น, นเป็นคนขี้โมโ ห, โหนะงัปล่อยให้จิตมันทำงานไปไหวพระสวดมนต์ไปเรื่อยสงบก็ช่างฟุ้งซ่านก็ช่างดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างนะแล้วใจมันจะมีสมาธิที่ดีขึ้นมานุ่มนวลอ่อนโยนเบาสบาย พอใจมันมีความสุขความสบายแล้วเราก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปจิตใจไม่เกี่ยวข้องร่างกายก็ไม่ใช่จิตใจความรู้สึกทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตใจแล้วแค่รู้แค่ดูก็เห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้นะดูอย่างนี้เรื่อยๆตอนแรกนี่ปรับสมาธิให้ถูกสะก่อนอย่าทำแบบเพ่งๆมันเครียดมันเหนื่อยแล้วมันจะโมโหง่าย หมายเลขเจ็สิบหครับคนสุดท้ายแล้วครับทำรูปแบบทุกวันคนไทยหรือคนจี น, น, นคนจีนครับทารูปแบบทุกวันมีภาวนาไม่ถูกต้องตรงไหนหรือไม่และบางครั้ง ร, รู้สึกไม่ค่อยสบายเพราะมีสิ่งรบกวนขอหลวงพ่อเมตตาให้คำแนะนำที่ภาวนานะถูกต้องถูกเป๊ะเลยภาวนาได้ดี ส่วนสิ่งรบกวนนะั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติห้ามมันไม่ได้เหมือนเราอยู่วัดเนี้ยหลวงพ่อสร้างวัดนะสร้างป่าในป่าเต็มไปด้วยต้นไม้เต็มไปด้วยดอกไม้หอมๆอมะไรเงี้ยเพื่อนบ้านเขามาตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่ะวัดเราเหม็นไปครึ่งวัดเนี้ยเราห้ามกลิ่นไม่ได้เราห้ามลมพัดไม่ได้เนี้ย สภาวะที่ไม่ดีที่มันผ่านมาผ่านไปเนะี่ยเราก็แค่รู้แค่ดูอย่าไปโมโหมันอย่าไปเกลียดมันมันเป็นสภาวะธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งเหมือนลมพัดกลิ่นดอกไม้มาบ้างกลิ่นขี้ไก่ลอยมาบ้างอะไรเนะเราเลือกไม่ได้เราก็แค่รู้แค่ดูด้วยใจที่เป็นกลางไปอย่าไปกงังวล แล้วสมมตความมืดมันคล้ำงำเรามากเนี่ยไม่ยากอะไรนึกถึงพระนึกถึงพระพุทธเจ้านมันก็หายแทนที่เราจะไปนึกถึงความมืดยิ่งนึกถึงก็ยิ่งมืดเพราะใจไปเชื่อมต่อถ้าเราไม่สนใจมันนะเรานึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยใจเราล่มเย็นเป็นสุขนะใจเราก็าสว่างสบายขึ้นมา ฝลังมืดมืดมันก็สลายตัวไปมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันันไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเกลียดมันนะเป็นกลางกับมันแต่ว่าอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจมันสนใจเข้ามาที่จิตของเราจิตเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบถ้ามันแก้ไม่หายจริงๆดูแล้วไม่ชอบแล้วมันก็แรงลาคาญอะไรเงี้ยเราแทนที่จะดูให้หายให้ใจเป็นปกติมันไม่ยอมหายเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงครูบาอาจารย์ไปเลย เป็นการทำสมถะเราแก้ด้วยวิปั ส, สนาไม่ได้เราก็แก้ด้วยสมถะแก้ด้วยวิปั ส, สนาเช่นใจมันกังวลว่าความมืดมันมาใจกังวลเรารู้ว่ากังวลมันจะขาดพ่าตัวความกังวลดับความกังวลดับจิตก็สงบเบิกบานเขึ้นมาความมืดก็สลายไปอันนี้เราแก้ด้วยวิปั ส, สนาแต่ถ้าทําอย่างนี้ไม่ได้เราใช้สมถะนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงด้วยใจที่สบายใจที่อ่อนโยนถ้าเรานึกอย่างนี้ได้ใจเรามีสมาธิเกิดขึ้นปุ๊บสิ่งชั่วร้ายก็สลายไปเองไม่ต้องกลัวหรอกเราภาวนาดีมารมันก็ต้องผจญแหละถ้าเราภาวนาผิดมารไม่ผจญเราหรอกมารมันหัวล้อย่อเรานะแต่อย่างงี้มาก็มามาได้เธอเขาไปได้อยู่ที่ใจเราต่างหากเป็นกลางกับมัน ถ้าใจไม่เป็นกลางก็คิดถึงพระพุทธเจ้าไปวันนี้สมควรแก่เวลานะชั่วโมงหนึ่งพอดีเป๊ะเลยหลวงพ่อออกมาเทศก่อนห้านาทีอันนี้ก็เลิกก่อนห้านาทีอย่าลืมเขาเรีอกอะไรนะเช็คเอานะเช็คเอาด้วยนะแล้ววันนี้มีผู้ช่วยสอนมีใครบ้างะ สคนก็เหลือเฟือแล้วล่ะพวกเราอยากเรียนในรายละเอียดเพิ่มเติมก็ถามกับท่านเหล่านี้อย่าไปเรียนซีซัวทรงเด่นนะเรียนมั่วๆไม่ได้บางคนมันโกหกเรานะภาวนาไม่เป็นหรอกแต่ว่ามันมีมิจฉาสมาธิมีฤทธิ์มีเดชมันเที่ยวถ่ายจิตเราอย่างงน้นอย่างนี้ท่ายอดีตถายอนาคตเราอะไรเงี้ยเราก็ไปตื่นเต้นยินดีพอเขามาสอนกรรมฐานเรา ตัวเขายังทำไม่เป็นไปเพะฉะนั้นอย่างพวกผู้ช่วยสอนที่หลวงพ่อชี้ให้ตะกี้เนี่ยพวกนี้ภาวนาได้หลักแล้วละไม่พาเราหลงทางหรอกแล้วแต่ละคนที่เห็นอยู่นี่ mm hmm. ก็ไม่ยช่พวกสแสวงผลประโยชน์อะไรถ้าเป็นพวกสแสวงผลประโยชน์เราก็อย่าไปเชื่อมันธรรมะของพวกท่านเจ้านี่เป็นของสะอาดหมดจด พระพุทธเจ้าแจกธรรมะให้เราฟรีถึงที่ชื่อว่าพระกวัโตผู้จําแนกแจกธรรมถ้าใครเอาธรรมะพระพุทธเจ้าไปขายหาผลประโยชน์อะไรเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงหรอกงั้นเราก็ต้องรู้จักเลือกนะไม่ใช่ไปเรียนบ้าบอกเขแตกอะไรมาจากใครก็บอกเรียนมาจากกัลยาณมิตรอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าใครที่แท้เป็นป่าปมมิตรไม่ใช่กัลยาณมิตรมิตรที่พาเราบาปพาเราผิด ใครที่ไม่คิดจะคุยกับผู้ช่วยสอนก็เชิญออกไปเลยนะเชิญออกไปได้ใครจะอยู่คุยกับผู้ช่วยสอนก็ดูว่าผู้ช่วยสอนเ็าอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปตรงนั้นเท่าที่เราสนใจเราสนใจคนไหนเราก็เรียนกับคนนั้นนะจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบครูตุกนะ็ได้ดีเพ ถ, ถูกดุอะไรเงี้ยถ้าชอบครูใจดีก็ต้องอย่างคุณไม่ชี เต็ไมไปด้วยความเมตตาท่านเมตตาพวกเราไม่ผิดกับเมตตาหมาแมวในวัดเลยใจของท่านถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลือกเอาให้เราอยู่กับโลกเราก็เรียนกับครูบาอาจารย์ที่ยังอยู่กับโลกเขายังต้องอยู่แต่โลกต้องสู้ชีวิตนะอาจารย์เนี่ยผ่านโลกมาเยอะแล้ว ก็ยังมีเรื่องโรคๆยังมีเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะเขาก็ภาวนางของเขาได้ดีทั้งที่ชีวิตยังไงทุกคนมันก็ต้องมีปัญหาเขาก็ต้องมีปัญหาของเขาหล่อเกินไปผู้หญิงจีบตลอดกลุ่มมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะะแต่และคนก็มีเรื่องของตัวเองเอาละแยก ย, ย้ายกันไป